การทำให้สัตว์เนี่ยต้องวิปริตต่างๆอยู่นั้นก็เพราะเหตุที่ยังไม่ได้สําเร็จนิโรธาสัจจะคือพระนิพพานถ้าใครมีวาสนาบารมีแก่กล้าสําเร็จอริยมรรคอริยผลกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในการใดกองทุกข์ทั้งปวงจะสูญสิน้นจะสุขอย่างเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนวิปริตผิดผลใช่ไหมที่จะแปรปรวนวิปริตผิดผลอยู่ในอำนาจกองทุกนั้น่เป็นเพราะเหตุที่ไม่ได้ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธาสัจจะ ไม่สามารถกระทำพันิพานเป็นอารมณ์ได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงเนี้ถ้าเราเข้าใจเบ็ดเสร็จอย่างนี้หนึ่งเข้าใจทุกสองให้ทะลุทะลวงถึงมวกถึงถึงสมุทยาาาัยยะสจะสังสังกะตัดโถเนี่ยประการที่สามต้องสามารถทําความเข้าใจเห็นทุกแล้วเนี่ยมองทะลุทะลวงไปจนถึงมรรคศัตร์เพราะเป็นส้นตาบัตโถอ ย, อยังไงทุกเนี่ยเดือดร้อนอยังไงเพราะไม่ประกอบมรรคศาสตร์ยังไงได้กระตุน้นเตือนใช่ไหม อีกอย่างหนึ่งที่เป็นวิปริณามาโถเพราะวิปริตต่างๆเนี่ยเมื่อได้ทุกมาแล้ววิปริตมากนะวิปริตมากด้วยความร้อนด้วยความทุกข์มีชาติที่ทุกข์เป็นต้นอะไรเนี้ยเพราะสัตว์ทั้งหลายวิปริตต่างๆอะไรนี้เพราะไม่เพราะยังไม่แทงตลอดพระนิพพานคือยังไม่สามารถไปเอื้อมเอานิพพานเป็นอารมณ์ได้ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ตราบใดเนี่ยกองทุกข์ทั้งหลายก็หมดใช่ไหม มีนิพพานเป็นรมเป็นครั้งแรกได้มากครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมโคตไปเยอะไหมสังสารวัตรหกเป็นโคตไปเยอะเลยก็ลองคิดดูที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะนับเลยว่าจะเกิดอีกกี่ชาติแต่พอมีพระนิพพานเป็นรมเป็นครั้งแรกนะหดเหลือเจ็ดเนี่ยถ้าหากว่าได้พระนิพพานเป็นครั้งที่สองเป็นพระสกาทาคามีเนี่ยจะมาในโลกนี้ครั้งเดียวเห็นไหมถ้าเป็นพระนาคามีจะไม่ไม่มาในกาลมะภูมิอะ่ะ จะอยู่ในสุทาวาสหรืออยู่ในรูปในรูปภูมิเป็นต้นเนึน่ถ้าได้เป็นพระอรหันตนะ์ไม่มาเลยในสังสารวัฏเอาสิ<ม>ขาใจใช่ไหมพราะที่เราวิบการเกิดต่างๆชื่อเป็นความวิ ป, ปริตหมดเลยเนี่ยพะเราเนี่ยอธิบายในในอักที่สี่ต้องมองให้เห็นพระนิพพานนี่พอจะมองเห็นทุกหรือยังถ้าอย่างนี้เขาเรียกวิจัยทุกเป็นแล้วต่อมาก็คือสมุทัยสัจจะ อายุหานัโถแปลว่าอะไรอายุหานัโถนี่แปลว่าอะไรเนี่ยที่จริงในอัตของของสมุทัยสะจารเนี่ยมันก็มีการที่ท่านใช้คําบอกว่าสภาพทําให้ทุกเจริญขึ้นเนี่ยนะมีสภาพรวบรวมมอบให้ผูกมัดแล้วก็รบกวนต่างๆก็แล้วแต่จะใช้ใช้สาแต่ในที่นี้ท่านใช้คําว่าอายุหานัโถประมวลมาประมวลอะไรมาให้สมุทัยสะจารเนี่ย เขาประมวลอะไรมาให้ประมวลทุกมาให้ไหนประมวลอะไรขันอายตนาธาตุให้กษระจัดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านแค่ได้อันเนี้ยผลผลข่องตัาหาเขามอบให้เนี่ยเขามอบให้เขาประมวลมาให้บอกอ้าวไปว่างั้นยังชอบตาจะไม่เอาตามาให้เห็นไหมเอาตามาให้เอาหูมาให้เอาจมูกเอาลิ้นเอากายมาให้เขากลับกรรมไงเขามีกรรมเป็นสหายแล้วเขากลากระซิบกรรมแล้ว กรรมก็ทำกรรมให้วิจิตก็ได้ตาหูจมูกเล่นกายใจแบบนี้อพอได้ตาหูได้ได้ตาหูจมูกเล่นกายใจได้รูปขะคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขณะปฏิสนธินะตัานหาเขาบอกต่อบอกว่าเดี๋ยวเราจะเกิดร่วมกับกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปช่วยประคับประคองและไปช่วยเบียดเบียนและตัดทอนเป็นต้นตามสถานะโอกาสที่เราปรารถนาจะทํามาเลยเดี๋ยวนี้มันก็มาเล่นงานยม สวรรคเลยเดี๋ยนี้มาแล้วกรรมมาแล้วบวกไอ้กรรมที่เกิดเกามีมีสายเป็นมีตัญหามีกรรมเป็นสายนั่นแหละก็า ม, มาเล่นเนี่ยเริ่มเบียดเบียนแล้วใช่ไหมเอาเลื่องเอาที่ทํางานไปเอาที่ทรมานไป น, นั่นนะข้าวนะข้าวเาเล่นเลยเดีเยวนี้ได้โอกาสเล่นตรงไหนบ้างที่จะเจาะเขาได้เจาะเขาร่างกายก่อนเบียดเบี ย, เบยนเงิน แล้วในส่วนจริงก็เอาแล้วอ้าวอยู่ไปก่อนนี่แหละว่างั้นนะนี่รางวัลที่มอบให้อถ้าหยุดหายใจเมื่อไรเดี๋ยวรับใหม่นะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ ย, หมยังไม่หมดยังเลืเยอะว่า ง, งนะั้นนึงนี่เขาประมวลให้ตลอดเขามอบให้เหมือนเราได้ใหม่ๆได้ใหม่ๆเขาพากันดีใจนะโอ้โหเกิดวันอะไรนะั้นลงวันที่กันเนจะไหมลงวันที่ตั้งชื่อให้อย่างเพาะเลยว่า ง, งนะั้นเถะ ดังขะดังรู ป, ปรขันนี่เวทนาสัญญาสังขารนิยานะอ่ะชื่อ น, นี้อ่าให้น้ำตะกอนเขาอีกใช่ไหมบเบ็ดเสร็จเผือให้ตาแหน่งเขาอีกมอบให้บเบ็ดเสร็จโอ้ชื่นใจเพราะงั้นนะเอาแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งพลานไปแล้วเขามอบให้แล้วนี่เหมือนเขามันเป็นคนเขาหรือว่าเป็นองวันเขาเหมือนมอบตําแหน่งให้ตองคิดดูวิ่งกันพลานกันอยู่แ น, น่นอนยังไก็มอบให้โอ้โหวิ่งกันใหญ่ แต่ก่อนก็ดีๆนี่แหละไม่ค่อยเป็นไรหรอกพอร่วไมได้ตําแหน่งมันมันปยใหญ่ๆเลยแต่นี้มีเขามีเรื่องเขาไอ้ขอ๊ขปในเล่าเรื่องนี้ไอ้แต่ก่อนก็อยู่กันดีๆนะเป็นเรื่องชาว บ, บ้านธรรมดาเพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาแล้วโหเสร็จแล้วแต่เนี้ยเริ่มกินข้าวกับภรรยาไม่ได้แล้วก็ว่างั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไในโมหะไ้ตั้นหาต่างๆเป็นเงี้ยบอกใหไไ้ไม่ได้ไม่ได้เองเป็นลูกบ้าน ใช่ไมเราเป็นผู้ใหญ่บ้า น, นก็ไม่ยอมกินไม่ยอมให้กินข้าวด้วเลยแขกจัดวงตัางหามเลยเจากการอยู่ด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันแทบตายเห็นไหมพอตั้งหามมันหลงผิดขึ้นมาก็กนข้ากเข้าวกั น, ก น, กนกจะทำอะไรต่างๆนีต้องมีสิทธิพิเศษขึ้นมาแต่นี้ลำบากเลยแต่นี้พอถึงเวลานอนเขาบอกไม่ได้แล้ว เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประมวลทุกมาให้เนาะประการต่อมานิทานโถนี่แปลว่าอะไรเนี่ยเป็นเหตุนิทานนั่นี่เป็นเหตุเนี่ยสังโยคโถก็ประกอบปริณิป ร, ริโพทัตโถก็คือเป็นเครื่องกังวลนะอโยหนัโถมีลักษณะลักษณะของตนเลยนะลักษณะของทุกขสมุทัยแท้เลย ของสมุทรไทยจริงๆเนตรงนี้นะเออตัวสมุทรยศจ่าเนี่ยจจอายุหนะเนี่ยที่แปลว่าประมวลมาเนี่ยตัณหานั่นเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้ากลมใหญ่เพราะเป็นพนักงานตกแต่งกองทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเขามีหน้าที่เก็เกิดร่วมก็มีกรรมเป็นสหายก็ตกแต่งกองทุกข์มาฟังฟังมันน่าเพร่องมีหน้าที่ตกแต่งนี่นะประมวลซึ่งกองทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาไม่เลือกหน้าเขาไม่เลือกหรอก อ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยเราอยู่เงี้ยเหมือนบางท่านอยู่ในฐานะที่มีคนอนำน้าถือตาเลยใช่ไหมเวลาจะมอบให้มันน่าจะมอบสิ่งดีๆเป็นรางวัลบางทีเขามอบเอบาใบยศให้เหงี้ยโอ้โหยุ่งเลยน่าเกลียดจริงๆไม่เห็นใจกันเลยใช่ไหมเราทําประโยชน์มากก็ตั้งเยอะทําประโยชน์ให้สังคมอย่างมากมายเลยอะ่ะมันน่าจะให้รางวัลดีๆใช่ไหมเอาไปให้เป็นออาใบยศโอ้โหมันไม่คุ้มเลยอะ่ะ ดูเขาตกแต่งให้ดิปหลาดแท้ทั้งๆ ท, ท, ที่บอเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยนะบางพบบางชาติเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยใครๆก็เคารพนับถื อ, อยังใหญ่หลวงเลยกลาว่ามันจะได้รางวัลชิ้นโตยังไม่เป็นผู้มอบให้เนี่ยเพราะในปัจจุบันนี้โหยคนในโลกใบนี้ก็มอบรางวัลกันเป็นแถวบางทีโอ้โหเขียนเต็มไปหมดเลยรางวัลมีมอบไปอะไรไม่รู้ยิ่งทศายการกา ร, ราศาสนาเราได้เสมาธรรมจักรก็บางทีเนะี่ย ขนาดนั้นเลยนะเจ๊ะมะก็ใช่ไ ง, ง น, ไนี่มันเป็นรางวัลที่มันเป็นปเพศสมมุติเนี่ย ไ, ไอรางวัลสมมุติเนี่ยสัตว์ก็ติดกันโอ้โหติดกันเป็นแถวหมดติดเป็นแถวหมดแล้วเป็นอย่างงั้นหมดสมัยก่อนมาเรียนเนี่ยใบยประกาศมาก็ะลี่ยงไม่หมดไม่นั่นดูแต่กอนลงชื่นใจตายนี่ทิ้งหมดเลยจริง น, นี่มันของปลอมนี่นี่ของปลอมนี่โดนหลอกมาทั้งนาน ก็เวลาคนจะไปทําลายผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้แต่ก่อนเนี่ยจะดําสักหน่อยเราเช็ดอย่างดีต้องคอยประกาศโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่งรู้ว่าที่จริงเนี่ยมันไม่เลือกหน้าเลยในะตัวตัณหาเนี่ยตัวตัณหาเนี่ยเขาไม่เลือกหน้าที่ก็าล้ ม, รรมเหล่ากันใช่ไหมเวลาไปไปพอจุติปุ๊บเนี่ยเขาเก่งใจใท่านผู้นี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เราควรจะมอบตําแหน่งอะไรให้ไม่ไม่ไปประชมนั้นเลยนะเหตุปัจจัยได้จังหวะก็สวมให้เลยนี่ปุ๊บขึ้นมานี่อเป็นอบายศัสตร์นี่ยุ่งเลยนี่ยุ่งไหมยุ่งเลย เ, เราเราเราลองทิดดูสุนัขบางตัวเนี่ยบางทีคือผู้ยิ่งใหญ่อะมาก่อนเนี่ย้สุนัขบางตัวเนี่ยเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่อนะ อัธยาศัยยิ่งใหญ่ก็มีนะเกาให้แค่อัธยาศัยเท่านั้นแหละกรรมอะกรรมบอกนะก็ให้แค่อัธยาศัยไปอยู่ที่ไหนก็ยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนอ้อโดนกัดโดนกัดจะไม่รู้ตัวเลยอ้อที่ยิ่งใหญ่ไปทีตอนนี้เพราะมันคนเราพวกเลยใช่ไหมก็เหมือนคนที่เรายิ่งใหญ่ข้างนอกโดนจับติดคุกเนี่ยโอ้เข้าไปในคุกคนละเรื่องกันเลยเนะ่ยตอเนี้ยคนละเรื่องเลยเขาต้อนรับโหทีนี้ที่ตั้งแต่เนี่ยทางประตูเข้านู่นแหละ ตอนรับยนสุดสะสุดจอยแล้วแหละมีการตอนรับน้องใหม่กันเป็นแถวเป็นแนวเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ท่านไม่เลือกหน้าบางท่านเนี่ยเป็นแค่ยาโจกวันนี้พกเท่านั้นแหละใช่ไกลับกลายได้สถานะที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเอาสิอย่างเี้ยอ้าวเป็นอย่างนี้สกเขาก็ไม่เลือกหน้าเนยไม่เลือกหน้าเขาอีกโยนวันเข้าใจตรงนี้นะนี่เขาเลิกถึงบอกว่า ตันหานั่นเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้ากรมเป็นพนักงานตกแต่งกองทุกให้แก่ปวงสัตว์ทั้งหลายประมวลกองทุกให้กับเหล่าสัตว์เหล่านั้นไม่เลือกหน้าเลยไม่เลือกหน้าเลยว่าจะเป็นใครใช่ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่กินทินบนกันด้วย <c oughs> ไม่กินสนน <c oughs> ินบนกันด้วยคุจะมีสินบนกันหนาไหนเข้าใจนะมันไม่มันไม่บอกว่าเอ้ยเราเนี่ยมีข้อต่อรองขนาดเนี้ยม ท่านในการที่เห็นนี่เพราจะพอจะยัดไตโต้กันได้บ้างเยอะมาต่อไปนู่นละหมดสิทธิ์แลวตรงนี้ตรงนี้ต้องเข้าใจในตัณหานั้นว่าโดยสังเขปมีสองประการที่บุญบอกว่าเป็นไปในส่วนของอัตถะตัณ ห, หาแล้วก็ปรัฏฐะตัณหาอัตถาก็คือว่าปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองจะให้สมบัติพัฒสถานทริงคาริรวาณทั้งพวงเป็นของตนนี ปรัฏฐะตัณหาก็คือปราถนาจะช่วยผู้อื่นแต่บรรดาที่ตนรักตนไข่มีบุตรภรรยาเป็นตนนะนะความปาถนาที่เป็นตัณหาทั้งสองประการนั้นคะันไม่สาเร็จตามความหมายก็ทำให้เกิดทุกข์เนืองๆไม่เว้นแม้จะให้สาเร็จโดยใจคิดก็ตามอาการดังที่ได้กล่าวมานี้นะรวดเร็วฉับพันทันใจนึกก็ย่อมไม่เกิดทุกข์ความเศร้าหมง แล้วก็กองทุกต่างๆเหล่านั้นก็บังเกิดแก่ ส, สรรพสัตว์ทั่วไปในไตรภพเลยทั้งในกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอํานาจของตันหาเนี่ยกําหนดที่สุดแต่สัตว์ที่เล็กละเอียดที่สุดนึว่างั้นแปลกที่ก็คือว่าเรนและลายก็มีตันหานี่และเรนและลายตันหาก็มีแนละ้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เล็กๆนันแหละ นั่นแหละงั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่าเป็นเลือดเป็นไหะก็ยังเกิดทุกข์เพราะมีความปรารถนาไอตัวตันหานะบอกอสัตว์เล็กๆ เ, เขามีความปรารถนาไหมมีไหมมีเขามีความอยากมีความปรารถนานะไอที่เป็นตัวไหลวิ่งวิ่งไปวิ่งมาแค่ก็ยังมีปัญหาอยู่คิดดูมันนึกว่าโอ้ยสัตว์เล็กๆตัญหาไม่มีนะไม่ใช่มี ไมต้องพูดถึงสัตว์ตัวใหญ่ๆนี่นี่มันเป็นไงตามวิสัยของตนที่เป็นสัตว์เล็กละเอียดขึ้นเชื่อประกอบอยู่ด้วยตัณหาแล้วเนี่ยก็เที่ยงแท้ที่จะประกอบทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยประกอบอยู่ด้วยอุปัตถวะอันตรายต่างๆแสนทุกข์ยากลําบากบังเกิดแก่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยก็เพราะบังเกิดมาจากตัณหานี่ยแหละตกแต่งให้ตัณหาก็ทําให้ตัณหาประมวลทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ พระบรมศาสดาก็เลยตรัสลักษณะของสมุทัยสัจจะเป็นประถมบอกว่าอายุนะโถเป็นลักษณะแห่งสมุทัยสัจจะว่ามีการประมวลนะมีการประมวลมาประมวลก็ได้มอบก็ได้<ม>ใช่ใช่น<ม>ั่นแหละถ้าใช่ต้องเป็นในลักษณะอย่กนั่น ประการต่อมาก็คือนิทานทโถแปลว่าอะไร น, นิทานะโถเป็นเหตุใช่ไหมเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุนะเป็นเหตุมอบให้ซึ่งผลใช่ไหมไอ้คาว่าเป็นเหตุในที่นั้นก็หมายความบอกว่าให้เห็นชัดว่ากองทุกข์เขาบอกว่าต้องอธิบายตลอดถึงทุกขะอริยสัจให้ได้ พอมาทําความเข้าใจสมุทัยยะสจะเนี่ยนะดรไรดาเข้าใจตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วนเะนี่ยมามองหน้าเนี่ยจะไหมมองรู้เลยเลย่คือตัวสมุทัยยะสจะในด้านของอายุวะนาโถเนี่ยเขาอธิบายท่านอธิบายเนี่ยนะลักษณะของตัณหาแท้เลยทั้งการมต า, ราตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสลิ้นในตาหูจมูกลิ้นกายใจไปต้นเนี่ยไล่ไปเหอะที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเป็นที่ตั้งตัญหาเวลาจะเกิดนเกิดน่ะที่ไหนเจรเินขึ้นเจรเดินน่ที่ไหนตั้งอยู่ตั้งอยู่น่ะที่ไหนนั่นแหละก็ทางท่อตั้งแต่นั่นแหละั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ไปต้นเนี่ก็ไล่ไปตามนั่นนั่นแหละข้อที่บายลักษณะของตัญหาได้แท้เลยแล้วก็มาแยกของตัญหาที่เป็นไปในส่วนตนเองกับที่ปราปปัหากับบุค ทีนี้พอมานิทานโถก็ต้องอธิบายให้ตลอดถึงทุกขสัตว์เราเป็นเหตุยังไงจะได้เห็นความชัดเรื่อกองทุกเนี่ยนะที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะกองทุกมีแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายนั้นอาศั ย, ยอะไรสายตันหาเนี่เป็นเหตุมีเหตุก็คือตันหาแล้วก็สําหรับแต่ที่จะให้ผลกล่าวคือกองทุกทั้งปวงมีชาติที่ทุกเป็นต้นนจะเป็นประธานตรงนี้ก็หมายความบอกว่าตัวตันหาจริงเป็นนิทานโถคําว่าเป็นเหตุจริง ต้องอธิบายว่าเป็นเหตุของทุกยังไงและไปเชื่อมโยงให้ถึงทุกขสัจจะด้วยนู้นกลับไปดูทุกสิบสองอย่างทุกสิบสามอย่างนั่นแหละรวมเบ็ดเสร็จก็คือปาทานกันห้าเป็นสิบสามนั่นแหละในทุกต่างๆเหล่านั้นน่ะตัณหาเนี่แหละเขาเป็นเหตุเป็นเหตุก็ต้องอธิบายให้ทะลุทะลวงคิดให้ถึงทุกด้วยไม่ใช่คิดเฉพาะว่าเป็นตัณหาอย่างเดียวทั้งนั้นมันไม่เห็น พระประสงค์ของพระบรมศาสดาต้องการให้สัตว์นั้นเห็นทุกข์ด้วยแล้วก็เห็นเหตุของทุกข์ด้วยก็อธิบายเหตุของทุกข์ว่าลักษณะของอายุหนะมาแล้วต่อมาก็ในลักษณะของนิทานโถเนี่ยนะนิทานโถเนี่ยเป็นเหตุยังไงเป็นเหตุก็ต้องอธิบายให้ถึงทุกขสัจจะทุกขาริยาสัจเพราะกองทุกข์ทั้งปวงมีชาติที่ทุกขชราทุกขพยาทีทุกขมรณะทุกขเป็นต้นเป็นเวลานเพราะพระพองค์ประสงค์ให้เห็นใจความตลอดถึงทุกข์ครับ ขาลิยาสัจจานี้จึงแสดงอัตของนิทานโถเป็นอัตของสมุทัยสัจจะเป็นคบลบสองพอมองเห็นไหม เ, เห็นยังไง เ, เห็นยังไงเห็นยังไงเตระดาเห็นงไงไม่เห็นแล้ว <laughs> เห็นยางไง เลแ่ <Okay. S 1> ่กะจไม่กะจติดเลยเลย <Okay. S 2> ยากเลย <Okay. S 2> ไม่ค่อยได้ใช้บาลีนะจริงใช้เลยโอ้ อายุหนะนี่ไปแล้วมัง่งอายุหานาเข้าใจไหมนิทานาแปลว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรก็ใชอ้าว <_ centralized> ก็เข้าใจแล้วนี่ถามว่าได้ตาหัวยืมบกลินกายใจมานี่เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วอะไรเป็นเหตุของทุกข์เหล่านี้ อา้าวเขเข้าใจแล้วเนี่ย<อ>ใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเข้าใจคําว่าถ้าจะแทงตลอดเนี่ยอ น, นิีทานัโถเนี่ยต้องอธิบายให้ถึงทุกขาเรียสัตว์ต้องให้ถึงทุกสัตว์ด้วยคือเข้าเขราเข้าใจทุกขะสมุทรไทยแล้วใช่ไหมเข้าใจตัวตันหาแล้วทีนี้ พอมาอัดที่สองที่ท่านใช้คำว่นนิทานโถเนี่ยเขาแปลว่าเป็นเหตุของทุกข์นะเมื่อเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยต้องไปเข้าใจทุกข์ด้วยว่าตัณหาเนี่ยเขาแต่งทุกข์ขึ้นมาด้วยเขา เ, ข า, เขาเป็นเหตุของทุกข์อย่างไรและไม่ใช่เข้าใจแค่ตัณหาอย่างเดียวเข้าใจตัวทุกข์ด้วยว่าทุกข์ต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายได้รับอยู่เนี่ยเพราะตัณหาเนี่ยเป็นเหตุยังไงนั้นต้องอธิบายให้ตลักแทงตลอดถึงทุกขสัต ก็หมายความว่าให้ให้เข้าใจถึงทุกสิบสกองประมวลรวมเป็นกองที่13ก็คืออุปาทานขัน5ว่าทุกสิกองรวมเบ็ดเสร็จก็คือเป็นอุปาทานขันหนั่นแหละหรือทุกอย่างมากมายที่เป็นไปในสังสารวัตทั้งสิ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยที่ไม่รู้จบรู้สิ้นเนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุก แต่ไม่ใช่แค่เข้าใจเพียงแค่ตัณหาอย่างเดียวต้องอธิบายแทงตลอดให้ถึงทุกขสัต์ด้วยอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยพ่อ ใช่นั่นแหละใช่ใช่ใช่ใช่นั่นเองจะได้นั่นแหะเห่นไหม คือคือประเด็นอยู่ตรงที่ว่านิทานัโถเนี่ย<ม>เป็นเหตุของทกุก<ม>ก็หมายความว่ามผมขนเล็บฟันหนัง<ม>เนื้อเอ็นกระดูก<ม>เยื่อในกระดูก<ม>ที่ของดรรดาทั้งหมดเนี่ยคือตัณหา<ม>เป็นเหตุมาง<ม>ั้นท่านถึงบอกว่ามีอัดอธิบายตลอดถึงทุกขสัตว์อย่างไรอัดของเขาเนี่ยอธิบายถึงทุกขสัตว์ยังไง ไม่ใช่อธิบายตัวสมูทัยอย่างเดียวะนะเพราะอะไรเพราะอะไรจรึงไม่ทําไม่ใช่ไปทําความเข้าใจแค่ตัวสมุทยาสัจจะอย่างเดียวตัวตัณหายอย่างเดียวต้องรู้ด้วยตัวสมูทัยอันนี้โรงงานอันนี้ยมันผลิตอะไรด้วยเออ ม, มันผลิตอะไรด้วยมันเข้าใจใช่ไหมตัวตัณหาเนี่ยเอตัวตัณหาเนี่ยมันผลิตอะไร ถามว่าตาไม่ใช่ตัณหานะจะโหมกไม่ใช่ตัณหาหูใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตัวนี้ไม่ใช่ตัณหาใช่ไหมเป็นผลที่ตัณหาทําให้เกิดขึ้นฉะนั้นไม่ใช่ไปเข้าใจแค่ตัณหาอย่างเดียวต้องเข้าใจถึงทุกข์ขั์ด้วยมันแปลว่าไงแปลว่า โอ้โหเรามีโรงงานเนี่ยไม่ใช่เข้าใจแค่โรงงานแต่ต้องเข้าใจว่าโรงงานเนี่ยมันผลิตอะไรออกมาแล้วมันเอาไปส่งไว้ที่ไหนใช่ไหมแล้วเป็นลักษณะมันเป็นยังไงที่ผลิตออกมาแล้วจริงไหมโยมสวัสดกรณีที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมนี่ก็คือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเป็น สัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์สุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยใช่ไหมไอ้ทุกขสัจจ์เราเนี่ยเป็นไปแล้วในสังสารวัฏเนี่ยในอดีตก็มาแล้วปัจจุบันก็เป็นไปอยู่อนาคตก็จะเป็นไปเนี่ยตันหานี่ไงนิทานโถนิทานโถนี่เป็นอัตของตันหาเป็นชื่อของตันหาแต่ต้องอธิบายให้แทงตลอดถึงทุก ไม่ใช่อยู่แค่ตันหาใช่ไถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่สลดสังเวชใจต่อตันหาไม่น้อมที่อยากจะละตันหาถ้าตอนนี้อยากละตันหาไหมมันก็ปรารถนาในการที่อยากอยากถ่ายถอนตันหา็จะาใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้มีมันย้อนใบย้อนมาก็เลยคนก็จะมองดู้ยสับสนด้วยกัน ใช่่องทุกทนนใช่ใช่ก็ใช่อาคืออย่างนี้อย่างที่พูดมานนั้นเข้าประเด็นก็คือว่าในอดีต ตัณหาเนี่ยตัณหาที่ผลิตทุกเนี่ยก็เยอะเยอะอยู่แล้วและปัจจุบันตัณหาก็ยังเกิดอีกที่จะสร้างทุกในอนาคตอีกนับไม่ถ้วนอีกเยอะอยเนี่ยนะเขาถึงบอกว่าคำว่านิทานะโถเนี่ยต้องอธิบายตลอดถึงทุกขสษัตร์มนแยชัดแยชัดว่ามากมายจริงๆนะไอในอดีตนี่ก็ถึงบอกว่าถ้าสมมุติสัตว์ไม่ต้องทำกรรมอะไรเลยเนี่ย รอรับผลอย่างเดียวก็ไม่พอไม่ไหวแล้วเอาเนี่ยนะนี่ยังไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยสัตว์ไม่เคยหยุดเดินในการทํากรรมที่บวกกั บ, กบตัณหาเลยลองคิดดูแล้วทํากรรมที่อยู่ในขอบข่ายของตัณหาอีกเยอะหมด ท, ทั้งทั้งที่ทำกรรมได้กุศลแจิตแต่ว่าเป็นไปกับตัณหาเป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่เนี่ยน่ากลัวแท้ต้งบอกไงนิทานะโถเนี่ยเขาเป็นเหตุของทุกเป็นเหตุของทุก นั่นแหละต้องเป็นต้องมีนิสรณวิเวกเป็นอัจฉาสยะใจต้องน้อมเพื่อจะบรินิพานโดยส่วนเดียวเท่านั้นถ้าไม่น้อมออกจากภพนะยุ่งยุ่งมากวิธีคิดออกไม่ได้เลยคือโดยโดยอัทยาศัยที่ยอมสวรปารบบุญแต่ละครั้งบุญเล็กบุญน้อ ย, ยต้องน้อมออก น้อมสลัดออกไม่ใช่น้อมไม่ใช่ไม่อีกไม่ใช่มไ ม, ชม่วิจัยต้องวิจัยในการที่จะเดินออกจาะพบโดยส่วนเดียวก็ใช่ไงไม่เคยคิดออกเลยว่างั้นเถอะไม่กล้าแม้กระทั่งคิดจะว่าจะคิดออกเลยไม่กล้าคิดเลยกลัวได้ซ้ำไป้าคิดแล้วกลัวมันจะหมดกลัวจะไม่ได้เกิดเลยก็ดิ้เยอะแยะไปเสร็ แค่กล้าคิดยังไม่ค่อยกล้าแล้วไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องอื่นแล้วงั้นในกรณีอย่างนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจให้ให้ชัดอันนี้จริงๆอ่ะมาเคยอธิบายมาหลายต่อหลายครั้ง น, นงงงะเออก็ถึงรู้ว่าโอ้เราถ้า พ, พูดไปเนี่ยไม่ได้จริงๆเลยโอ้ไม่ได้ไ ม, ไดมันได้แต่คนฟังไม่ได้เลยไม่ได้กันมาอย่างนี้ อ๋อเนี่ยนี่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้สมาทานตั้งใจเลยนั่นแหละต้องกล้าต้องมีวิริยะวีระเนี่ยต้องกล้าต้องกล้ า, ต, ลาต้องกล้าที่จะเดินออกจากบาปขนาดว่าโอ้โหยเป็นคนตื่นสายต้องต้องสมาทานเพืจะตื่นเช้าทุวกวันเลย ต้องสมาทานบ่อยๆด้วยถึงมันลุกไม่ขึ้นก็ต้องสมาทานก็ให่ใช่ไหมน่เข้าจะแข็งแรงเองตังนั้นไม่ตืนอน <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นถ้าอย่งนั้นไม่ไม่ไม่ออกมาเลยอยงนั้ น, น, นคือกล้าคิดต้องกล้าคิดต้องกล้าคิดโอ้ทาไมกล้าคิดเลยเนี่ยบางคนนอะโอคิดได้ก็ททำไม่ได้คิดไปทำไมจบเลยนะ จบเลยไงความคิดตั้งนี้ก็เพราะเป็นแบบนี้นี่แหละก็เหมาะแกการอยู่ในวัตฏะแท้ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมไม่ต้องกล้าที่จะคิดเแค่คิดออกจากวัฏฏะที่พอคิดไปเบ็ดเสร็จนั้นน่ะเข้าเนีเข้าเนยแข็งแรงเข้าในาจะนะต่อไปคิดแข็งแรงความคิดเนี่ยมีกําลังมากโยมสวัส์ไปตั้งมณฑสิการดูมีกําลังมากแค่คิดครั้งแรกก็เริ่มมั่นใจแล้ว โอ้ไม่ต้องคิดหลายครั้งด้วยบางคนนะ่ยคิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยแข็งแรงในความคิดเนี่ยแต่บางคนนี่ก็ต้องอาศัยคิดบ่อยๆใช่ไหมอืมงั้นบางทีปารบปารบบ่อยๆบ่อยๆน่ยเข้าเนี่เข้ า, ขามันมาเองเลยความคิดเนี่ยนะเพราะไอ้ที่มาเองในที่นี้แปลว่าอะไรมันถูกกระตุ้นมาอย่างรุนแรงมาแล้วเนี่ยแต่นี้คิดสะดวกหมดเลยแล้วง่ายมากเหมือนการน้อมในการที่จะเห็นทุกเนี่ย ใช่ไหมแปลว่าปารบไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วเนี่ยพอคิดไปเบ็ดเสร็จเนี่ยเหมือนแผ่เมตตาเนี่ยใหม่ให ม, ม่ยากแสนเข็ญนะ เ, เออแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่าเมตตาเนี่ยแผ่ยากแต่พอเริ่มเดินเดินเดินเดินเดินไปจนชํานาญแล้วเบ็เสร็จเอ๊ะเราเลยไม่รู้เลยเรายากมันคืออะไรมันคล่องซะแล้วเนี่ยนะมันคอง ใช่จะเป็นว่าสนอะไรเงี้ยแล้วแล้วเป็นเงี้ยจริงแล้วไปเดินดูเหอะกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยนะจะเดินยากเดินใหม่ใม่เดินยากเดินใหม่ๆหม่พอเดินไปได้สักหน่อยก็คนาเด็กเล็กๆเนี่ยมีมีมีเด็กเล็กๆที่ไม่รู้ไอ้อ ย, อยังอายุไม่กี่ขบวบหรอกเป็นเด็กเกเรอามาก็บอกว่าลองดูที ชาเขามาอยู่ด้วยฝึกทุกวันฝึกให้เขาคิดฝึกนี่ไปเสร็จเนี่ยเอาที่กระตุ้นทุกวันไปบินดาบาเอาเขาไปด้วยอยู่อยู่ด้วยกระตุ้นทุกวันพบไปไปมาเขาปรารถนาเขาอยากเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยดูดูที่เนี่ยเนี่ยมฝึกได้ามาลองดูแลแปดขวบดาฟองเลยแ่แล้วเป็นคนเด็กเกม๊มากกับน้องนุ่งกับลังแกเขาอะไรเขาเนี่ย เห็นไหมโดยการเนี่ยก็ใหม่หมก็ให้ทิฏฐิได้เลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆปรับให้เป็นสมาธิใคิว่าเขาทำได้ไหมเราทำไม่ได้ใหม่ๆก็ไปอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีแรงฮึดเขาลักษณะเงี้ยก็เห็นไหมกระตุน้นคิดกระตุน้นคิดไปเยตรงนี้ก็คือบางทีบางทีถ้าเราเคย อยู่กับเด็กอยู่กับอะไรต่างๆแล้วก็จะสังเกตอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เป็นอันนี้ต้องต้องต้องสังเกตก็ฝึกได้จริงๆฝึกได้อันนี้เราก็เริ่มรู้อ๋อจิตปรับวิธีคิดได้จริงๆนั้นที่ทีกรณีเห็นคนท่านที่ได้บรรลุทั้งหลายเนี่ยท่านปรับความคิดใหม่ไม่คิดเหมือนเดิมเพราะาคิดเหมือนเดิมมันอยู่ในวตตาท่นก็คิดออกก็คือเนี่ยฝึกไปตามคําสอนอัดที่สามนะอัดของสมุทยัยสจัสังโยคะ สั่งยคดสื่โยคโถหแปลว่าอะไรอประกอบประกอบอะไรไว้ประกอบสัตว์ไว้ในไหนประกอบประกอบสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในภพเนาะตรงนี้ก็คือว่าต้องอธิบายตลอดถึงนิโรธาสัจจะต้องอธิบายถึงนิโรธเนะใจความก็ว่าตัวตันหาเนี่ยนะ ตั้หาประกอบสัตว์ไว้ในสังสารวัตรประกอบสัตว์ไว้ในกามภ พ, ร า, พารูปภพอรูปภพหรือประกอบสัตว์นั้นให้ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมไม่ไม่ยอมออกบางทีท่านก็เรียกว่าผูกมัดไว้ก็ได้มัดไว้ก็ได้ประกอบไว้ก็ได้ทําให้สัตว์นั้นออกจากวัฏสงสารไม่ได้ตัวสังสารวัตรกบตัวขันธ์ธาตุยานตนานเนี่ะที่มันหมุนไปในภพต่างๆ ก็เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งปวงยังไม่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานใช่ไหมในสันดาลนั้นก็เลยมืดมนด้วยราคะโทสะโมหะยังไม่ได้เห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานทำตัณหานี่แหละจึงประกอบไว้ด้วยอํานาจของตนได้หมดเลยให้เวียนว่ายเวียนเกิดอยู่นั่นแหละเวียนตายเวียนเกิดเวียนกำถือกําเนิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุที่สัตว์ไม่ได้กระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน พระพุทธองคประสงค์ให้เห็นอัฏฐะคือสังโยคโถเนี่ยเป็นอัดสมุทยาสัจจะประการที่สามแล้วบอกว่ามีอัดอธิบายตลอดถึงนิโรธาสัจจะอธิบายหเห็นสัตว์ล่านั้นน่ะนะที่ระคนมืดมนไป้วยราคาโทสามโมหะเนี่ยเพราะอัตยาสายของสัตว์นั้นน่ะตัณหาเนี่ยนะที่มีกรรมเป็นสหายนั่นแหละเขาประกอบสัตว์ไว้ ให้สัตว์นั้นได้ตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหมอัตยาสายของสัตว์นั้นที่มากไปด้วยตัณหามากไปด้วยราคะโทสะและโมหะเป็นต้นเหล่านั้น่ะสัตว์ตัวนั้นก็ไม่เห็นแจ้งซึงพระนิพพานไม่แทงตลอดซึ่งพระนิพพานก็เพราะสภาพของตัณหาทั้งหลายก็ประกอบวิธีคิดด้วยประกอบให้กษัตริย์นั้นไม่กล้าออกจากสังสารวัฏเลยคิดออกไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนกับกรณีที่คนบางคนเนี่ย เกิดมาเบียดเสเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจของคนอื่น mm hmm. ก็ต้องมีคนอื่นเป็นที่อาศัยอยู่ตลอดไป mm hmm. ไม่กล้าที่จะคิดออกไม่กล้าเลยเาบางคนใช่ไหมไม่กล้าแล้วกลัวไปหมดแล้วบางคนเนี่ยกลัวลนลานไปหมดเบียดเสดหมดแล้วเ mm hmm. ขาเรียกว่ายอมเป็นทาสอย่างเดียวจะทำตนเองให้เป็นอิสระเสรีเนี่ย ไม่รู้จะทํำยังไงคิดไม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยพอสัตว์ไม่เห็นพระนิพพานเนี่ยมันก็มืดมนโอนาการอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พระบรมศา ส, สดามาทิบายให้ฟังแล้วว่าลักษณะของตัณหาคำรอบสองนี่คือโยคะโถนเนี่ยนะให้ประกอบสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏให้ติดอยู่ในภพทั้งหลายในกามภพรูปภพอรูปภพสัตว์ทั้งหลายที่ออกไม่ได้เนี่ยเพราะ มืดมนอนนาการวยราคาโทสาโมหะโดยเฉพาะโมหะก็ปิดกระแสขันธาตุอายตนาของสัตว์ทั้งหลายอยู่ตัวตัณหานี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยการประกอบสัตว์เข้าไว้ก็ให้เรามาเห็นโทษใช่ไหมเห็นโทษของตัณหานี่แหละปัจจัยที่ทําให้สัตว์โลกนั้นออกจากวัตฏะไม่ได้ก็เพราะอตัณหานี่แหละมันประกอบเข้าไว้พอเริ่มมเราต้องการอยากจะดับตัณหาก็เลยบอกไอ้ตัณหาเกิด เกิดหน้าที่ไหนแล้วจะตั้งมาตั้งอยู่หน้าที่ไหนจะจะดับใช่ไหมก็ดับที่เกิดดับที่ตั้งนั่นน่ะนี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อคือกรณีอย่างเนี้ยความกลัวที่ไม่กล้าออกเนี่ยมันกรณีอย่างที่ท่านยกถึงความเป็นทาสยกถึงความเป็นทาสคนที่เป็นทาสของบุคคลอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เจ้านายเลย ชอย่างเจ้านายเป็นต้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาเด็กคนที่ตกเป็นทาสของบุคคลอื่นจริงๆเนี่ยนะที่เขาเป็นทาสเนี่ยก็แปลว่าต้องยอมจำนนหมดเลยว่าเจ้านายเขาจะว่ายังไงใช่ทีนี้ใช่ก็ในลักษณะบอกว่าในขณะที่เราถามบอกว่าพ่อแล้วตัญหาเนี่ย เวลามันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเหมือนเป็นความรับผิดชอ บ, บ <Montgomery. S 1> ใช่ไหมมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบจีจจบเราใช่ไหมโยชนสวรรคเอะเราเนี่ยในฐานะที่เป็นพ่อในฐานะที่เป็นเน อ, อสามีในฐานะที่เป็นลุงเป็นอะไรต่างก็แล้วแต่ก็มีความรับผิดชอบเ อ, อไม่ได้แล้วเราจะออกจากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้แล้วเราจะออกไม่ได้เนะพราะมันจะต้องรับผิดชอบไปกันจนตายนี่แหละอย่างงี้นะ มันก็เลยถูกล็อกตายเลยเดี๋นี้ล็อกอยู่เงี้ยและมันไม่ใช่แค่นั้นดังที่ได้บอกว่าดูเหมือนว่าเราจะเป็นใหญ่แต่เวลาเ็าพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องตามเขาทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นทาตบุคคลนะแต่เราเป็นทาตของตัณหาตัณหาที่เราไปเกิดยึดมั่นถือมั่นนแล้ว่วาท่านพู้นี้เป็นอะไรเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแหละ พอตัณหาเนี่ยมันไปยึดครองจิตใจเราจนยาวนานในสังสารวาัฏไปแล้วเนี่ยมันก็เลยมีเหตุผลพอว่างั้นเหตุผลพอในการที่บอกว่าเออไม่ได้แล้วความคิดอย่างนี้ผิดคิดอย่างนี้ถูกก็เลยไม่กล้าที่จะตัดตัณหาแท้ที่จริงเราไม่ได้ทิ้งเขาทานาวบอกว่าพระโพธิสัตว์แต่ละชาติเนี่ยทิ้งบุตรภรรยาเป็นต้นท่านไม่ได้ทิ้งบุตรทิ้งภรรยาแต่ท่านทิ้งตัณหา ใช่ไมท่านทิงตัณหาท่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยท่านเก็บเรียบร้อยหมดแหละเอาไปสร้างบารมีร่วมกันกับท่านนี้ไหมท่านจะเก็บทิ้งวะท่านพาปริพญานเวทเสร็จนั่นแปลว่าท่านไม่ได้ทิ้งอัตยาสัยท่านไม่ทิ้งแต่อัธยาสัยท่านต้องตัดตัณหาท่านบอกตัณหาเกิดณที่ใดใช่ไหมตั้งอยู่ณที่ไหนเถ้าจะดับท่านก็ดับณที่ตรงนั้นก็แปลว่าท่านต้องวิจัยตรงนั้นน่ะ จนเห็นโทษสิ่งนั้นจนตั้หาไม่จับยึดติดสิ่งนั้นก็จใช่ไหมท่านไม่ได้ไปตัดนะยกตัวอย่างเช่นว่าพรานเนี่ยเหมือนกับอามาเดินออกจากครอบครัวเยอยมาไม่ได้ตัดพ่อแม่ไม่ได้ตัดความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ตัดเลยบุญคุณต่างๆเหล่านี้เข้าใจแล้วก็มีโอกาส ต, ตอบแทนเป็นระยะระยะทำตามกิจที่จะต้องทำด้วยซ้ำไปแต่ว่าทาไมต้องเดินออกเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องอยู่ การที่จะประกอบศิกขาสามไม่สะดวกเลยไม่สะดวกเลยแล้วก็ตัณหามันก็ค อ, อยจะครอบงำอยู่กรณีที่เดินออกเนี่ยไม่ใช่ตัดแต่ไม่ต้องการเป็นทาตของตัณหาใช่นั่นแหละใช่จับนั้นดีเขไม่กล้าสาลัดออก เป็นชื่อของวัณิพานเพราะเพราะเป็นตัวสลัดอุปทธีเนี่ยเนี่ยเจ้าน่ะเพราะว่าตัวที่ยึดก็คือตัวตัณหาตัวอุปาทานนั่นเอง